ต่อจากนี้ไปจากนี้ไปขอนําท่านผู้ 9 ประโยคแห่ง เดชพุทธจารย์โตนี่เมื่อท่านมาเป็นสมภารวัดรักังแล้วเนี่ย เขาก็ไม่กล้าทํากันกลายเป็นท้าชกครั้งหนึ่งนี่มีพระ 2 รูปทะเลาะกันทุ่มเถียงกันที่หน้า ก็เอาดอกไม้ทูบเทียนเข้าไปหาพระที่เถียงกันนั้นน่ะท่านก็นั่งพนมมือพูดว่า ได้ฟังต่างก็แยกย้ายกันกลับกุฏินะถ้าเป็นผมได้ยินอย่างงี้ ขณะเดินผ่านหลังโบสถ์นะพบว่าพระกลุ่มหนึ่งนี่กําลังเตะตะกร้อแล้วยกขึ้นบังหน้าวีของเราทุกวันนี้ ทำไมท่านจึงไม่ห้ามแม้เราจะห้ามท่านก็ตอบว่าถึงเวลาเลิกเขาเลิกกันเอง ไอ้การเตะตะกร้อเนี่ยนะเตะตะกร้อนี่มันต้องฝึกหัดกันนาน ในสมัยรัชกาลที่ 3 เนี่ยจะมีถึงเวลาเลิกเขาก็จะเลิกกันเองที่ เจ้าหน้าที่จึงนําความขึ้น 3 พระองค์กลับรับสั่งว่าเจ้ากูจะเล่นบ้างบ่ชังๆเกิดนิยม นะครับความจริงแล้วถ้าเราศึกษาพระราชจริยวัตรของ 3 โดยตลอดจะเห็นว่า ส่วนผู้มีจิตใจแคบๆก็มัก ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงประมาณสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติรอ 3 ท่านก็ใจดีหิใจดีท่านก็ตรัสว่าคนก็มากด้วยกันก็ต้องเบียดกันเป็นธรรมดาเข้าใจได้อย่างนี้นะๆ ข่าว 1 เจ้าพระคุณสมเด็จไปธุระขากลับสาธุสาธุสาธุ นะผมบวชอยู่ 13 ปีนี่จะเจอบ่อยเห็นมั้ยเห็นแล้วเห็นแล้วก็เฉยไว้น่ะประมาณนี้นะยทาวาริวหนน่ะฉันกันหลายคนทําไมให้ฉันยทา <c oughs> องค์ที่อยู่ก็ตั้งใจสังวรไม่ประพฤติปฏิบัติ นะกระจระโทษเอามาให้เป็นทหารก็มีแต่ศึกเอามาเป็นไพร่หลวงก็มีในสมัยนี้ ก็จะฤเป็นเรื่องเกี่ยว เรื่องเล่าจากนากหลวงโดยพันโทพรศพนาหรินอดิตสำเนนประเรียนธรรม 9 ประโยค มีครั้งหนึ่งพระเนนวัรคังเกิดทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือตีกันหัวแตกๆก็เถียงท่านนะครับ เถียงท่านอย่างนั้นแต่เจ้าประคุณสมเด็จท่านก็ยังยืนยันว่าคุณตีเขาก่อนอยู่นั่นเองพระลุมนั้นก็ไม่พอใจนะความเป็นว่า ท่านเนี่ยก็ยังยืนยันคําพูดเดิมสมเด็จ ก็คือองค์ที่ถูกตีนั้นน่ะเมื่อก่อนหรือว่าชาติก่อนต้องเคยตีเข้ามาก่อนแล้วสมเด็จ ท่านทั้งสองไม่มีความผิดฉันเป็นผู้ผิดเพราะฉัน ทีนี้ว่ากันว่าเจ้าพระคุณสมเด็จนี่ท่านเป็นที่ใดที่พระเนนทําสกปรกเนี่ยนะพระเนนทิ้งเปลือกเงาะเปลือกทุเรียนเอา พระเนนไม่ลงทําวัดสวดมนต์เช้าเย็นท่านก็ลงไปทําแต่องค์เดียวนะไปองค์เดียวสวดมนต์องค์ ตามปกติเจ้าพระคุณสมเด็จนี่จะไม่ค่อยมีไปฉันตรงโน้นไปฉันตรงนี้บ้างไปดูแลควบคุมการก่อสร้างบางทีท่านก็ไปทุรดงทางวัดรักคันเนี่ย แม้ตัวท่านเองจะไปไหนก็บอกลาพระครูปลัด ก็คือท่านก็ต้องรู้พวกปลัดเนี่ยผมคิดว่า ไม่สะสมสมบัติได้ๆก็ไปใช้จ่ายในการกุศลต่างๆทั้งสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์แก่คนทุก ล้วงมือไปทางกรุงหน้าต่างเพื่อหยิบเอาตะเกียงลานมันหยิบไม่ถึงเออโจรจะลักของแต่เอาไม่ถึงท่าน สมเด็จท่านเนี่ยไปเทศต่างจังหวัดโดยทาง นะท่านเจริญร้องบอกว่าเอาหมอนครับนี่ก็เป็นปฏิปทาๆของสมเด็จท่านแต่ ทุกชั้นคนดีคนชั่วเศรษฐียากจนเหมือนแสงอาทิตย์เหมือนแสงจันทร์นะครับส่องสว่างสม่ําเสมอไม่ว่าบ้านนี้จะเป็นคนรวยบ้านนี้จะเป็น นะครับตรงเชิงเชิงสะพานพุทธโดยเรือพายไปนะครับมีลูกศิษย์ 2 คนว่าไอ้ อีกคนก็ว่าบ้างไม่ได้กองนี้ถ้าจะเอาเอ็งเอากองโน้นท่าน ต่อจากนี้ไปขอนําท่านผู้ 9 ประโยคแห่ง ทีนี้เรามาพูดถึงเมตตามหานิยมของเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จนี่ท่านจะ มีบ่าวของท่านพระยาท่านหนึ่งบ้านอยู่หลังตลาดบ้าน ประมาณเนี้ยพอพูดขาดคําก็ตรงเข้าไปชกหน้าท่าน จึงจัดการลงโทษบ่าวคนนั้นโดยเอา นะครับนี่จิตใจท่านจะเย็นมากคือเป็นเป็นความเมตตาของเจ้า ขณะที่ 10 ภายเรือเข้าไปในคลองนั้นเจ้าคนภายท้ายได้เห็นปลาตีนตัวหนึ่งน่ะก็เลยยกภายนี่ฟาดตีปลาไปมันฟาดไม่ถูกน้ํากับโคลนนี่ก็ พอไปถึงบ้านงานเจ้าภาพญาติโยมนะเห็นท่านเนี่ยเลอะโคลน 2 คนนี่เค้าตีปลากันจ้ะท่าน ส่วนพระบรมมหาราชวังนี่อยู่ทางฝั่งกรุงเทพฯคราวหนึ่งท่านในพระบรมมหาราชวังขณะที่กําลังสวดอยู่ตรงนั้นน่ะก็มีเด็กวัดนะเรือ ซึ่งจอดอยู่ที่ท่าช้างวังหลวงนะครับไอ้ลูกศิษย์ของแต่ ทายกลับวัดลักขังถ้าที่ท่านจะเย็นมากสมเด็จนะครับบางครั้งเนี่ยท่านจะไปกิจนิมนต์ด้วยด้วยเรือเก๋งท่าน สิทธิ์ก็ถอยเรือรีบแจวอ่าวทีเดียวท่านตั้งมีแรงแต่คนเดียวนะ ยกคุณสําเร็จนี่ท่านทรงคุณธรรมที่คือไหนมาไหน 3 ประมาณ 3 ราว 4 ศอกคือลีกฮะแล้วก็จะนั่งแม้แต่ท่านไป ต้องนับถือด้วยหรือท่านก็ตอบว่าดินก้อนแรกที่หยิบคือผมเห็นในหลายท่านในสมัยนี้ คือไม่มีความเคารพมันมีคําคําหนึ่งนะครับคําโบราณ แต่พระพุทธรูปเค้าปั้นด้วยดินทําด้วยไม้ไม่สวยตามวัด ไอ้ตัวมันเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาบวชพระวัน 2 วันจะให้ชั้นไหว้แล้วดิไอ้อย่างนี้ ห่างจากทางเดินราว 2 ศอกเมื่อท่านเดินผ่านมาๆเพราะ ท่านจึงตอบว่าแต่ก่อนไม่เคยเห็นจริงจ้ะแต่วันนี้เป็นเหตุบังเอิญจ้ะเพราะฉันเดินผ่านมาในจะเป็น เรียกอุทเทศิกะเจดีย์ยังไงล่ะจ๊ะเมื่อสวดมนต์จบแล้วนี่ขากลับท่านผ่านมาท่านก็ทําอย่างเดิมอีกผ่านทางเดิมล่วงขึ้นท่านไปให้พระที่มา พระที่ติดตามไปด้วยก็ 1 นาทีแล้วจึงเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะคือเล่ากัน ไปพบพระเนนแบกหนังสือคัมภีร์ท่านจะต้องนั่ง ทราบว่าที่ท่านทําอย่างนี้ด้วยประสงค์จะประพฤติตามเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงฟังธรรมที่พระอนุรุทธแสดงอยู่พระอนุรุทธนะครับพระอนุรุทธแสดงอยู่ในสมัยนู่น เมื่อพระนรุทธาตรัสจึงทูลขอเอาไปที่ทําให้ประทับยืนงาน ที่ท่านว่าวันทกโกปฏิวัตนังผู้ไหว้ย่อมได้ 9 ประโยค แห่งวัดชนะสงคราม รถช้างคุณนางๆสิทธิ์แจวเรือเหนื่อยก็ให้พัก ขณะที่มาตามลําคลองนั้นน่ะเขาเกิดผิดๆนานามาด่ากันดาลั่นเรือไป ที่บ้านในสวนตําบลรากบุรณะฝั่งพลบุรีบ้านของเค้า <c oughs> เมื่อดูสมเด็จเข็นเรือแล้วมาดูสมเด็จเข็นเรือน่ะประมาณนี้ท่านก็บอกว่าฉันไม่ใช่ คณะที่กําลังทําพิธีอยู่นั้นเหล๋มสิทธิ์ที่พายเรือให้ท่าน วาดแล้วท่านก็วางพัดยศไว้ทางด้านหัวเรือท่านก็มา การคมนาคมมันไม่สะดวกทั้งพวกฝันจะเดินทางไปไหนไกล ในสมัยรัชกาลที่ 4 เนี่ยจึงมีหมายรับสั่งฉบับและเสด็จประทับที่พระที่นั่งริมน้ําเพราะทรงทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุสงฆ์ยืนแจวเรือขึ้นล่อง 3 รายตั้งแต่นั้นก็ให้กรมมทันเอ่อ ตั้งแต่นั้นเนี่ยก็ให้เค้าเรียกกรมธรรมการนะก็ว่า วันนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จท่านมีกิจจําเป็นที่จะต้องแจเรือผ่านพระ นะครับนี่ก็เป็นเกร็ดเป็นเกร็ดของสมเด็จพุทธจารย์โตท่านที่ผมได้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังแล้วเราก็นึกเราก็ต้องนึกเพราะว่าสมเด็จโตนี่ท่านมี ไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ปรารภพรเทียนบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินะครับธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าๆไม่เป็นไปเพื่อความสะสมไม่ สมเด็จท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาจาอ่อนหวานตามปกติเจ้าพระคุณสมเด็จท่านจะพูดจ๊ะจ๋ากับทุกคนนะท่านก็พูดอย่างนั้นคราวหนึ่ง นี่คงเป็นผู้ท่านก็ตอบว่าฉันไม่รู้ได้ว่าสงสัยเป็นผมผมก็ต้องถามท่านผู้ ชนิดที่ว่าผมไม่น่าเชื่อคือมีเมตตาแบบไม่แล้วก็ปล่อย แล้วท่านก็เอาเท้าของท่านสอดเข้าไปในบ่วงนั้นนั่งทําทีเป็นติดแล้วไปไม่ ก็เลยต้องบอกท่านว่าไม่เป็นไรอนุญาตยินยอมให้ท่านปล่อยนกตามพระธรรมวินัยท่าน ต้องอยู่คอยเจ้าภาพคือเจ้า ต่อจากนี้ไปขอนําท่านผู้ 9 ประโยคแห่ง ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับเราก็มาต่อเล่าต่อถึง รัชกาลที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 4 5 เนี่ยก็ทรงเมตตาทุกพระ เป็นประเพณีมีมาตั้งแต่ครั้ง 1 2 3 4 5 ก็ทรง 4 ครั้งหนึ่ง 3 วันติด ผ่านไปแล้วถึงวันที่ 2 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าๆเพราะมีพระราชกิจคอยอยู่อย่างหนึ่ง จึงทรงประทับฟังจนจบแต่ว่าวันนั้นเจ้า 2 ชั่วโมงเทศอย่างพิสดารเทศไปจนกระทั่งว่าเอ่อ สำเร็จโตท่านก็เอวังก็มีด้วยปาการัชณีย์คือจบเลยนะ ก็ทรงทราบจบเทศจบแค่นี้ท่านผู้ฟังพระเจ้าอยู่หัวจึง มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้ามีพระราชหฤทัยขุ่นได้ก็ต้องทรงสดับพระธรรมเทศนาให้มากส่วนวันนี้มีพระหัวเราะนะครับครับนี่ การที่เจ้าประคุณสําเร็จเทศสั้นเพียง 2 3 คําแล้วจบเนี่ยก็ 27 พรรษาท่าน ทีนี้ในปีต่อมานี่ทรง 25396 เจ้า พอขึ้นสู่ธรรมาสน์ก็ดำเนินการเทศตั้งนะโมๆว่าธรรมๆอันมหาบพิตรทรงทราบบทแล้วเอวังก็มี ภายหลังต่อมาเนี่ยท่านเจ้าคุณทําไตรโลกได้ ครั้งหนึ่งในรัชกาลที่ 4 เจ้าพระคุณสมเด็จเข้า ไม่ถูกต้องตามราชนิยมเพราะประเพณีการถวายเทศนาในสมัยนั้นผู้เทศน์จะต้องเขียนคำเทศนาลงในใบลานและเขียนลงในยังเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังการที่จะเทศน์จะบรรยายให้ จึงทําเป็นหยิบแก้วน้ําบ้วนปากแล้วๆเล่าๆเหมือนจะประวิงเวลาไว้พระบาทสมเด็จคือ จะแลหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะขออภัยท่านผู้ฟังแต่ ไปเทศน์ในงานศพที่วัดประยูรวงศ์สาวัตเมื่อให้ศีลแล้วจะเริ่มเทศน์ต่อไปพอ จนกว่าจะลงมือเทศน์ได้ก็กิน 9 ประโยคแห่ง ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมก็จะเล่า ต่อมาคิดอยากสร้างกุศลขึ้นจึงได้สร้างวัด ได้พลานิสงส์บกพร่องไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเงิน แต่ว่าใจแฟงเคืองมากต่อมาภายหลังเมื่อตริตรองดูแล้วก็เห็นจริงตามที่เจ้าคุณสมเด็จท่านเทศใจแฟงก็ เจ้าประคุณสมเด็จเนี่ยท่านชอบเอาว่านทองคํามาโคก ในสมัยนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ ติดกันเทศพิเศษ 100 บาทอืมผมไม่รู้ว่าบาท 1 ก็อย่าง บอกสักการะตั้งนะโมแล้วพูดว่าพุทธังธัมมังสังฆังลงเอวังที ก็ได้กลับไปเทศที่บ้านนั้นอีกได้กลับไปเทศที่บ้านนั้นอีกโดยที่เขาไม่ได้นิมนต์ก่อนเทศท่านได้บอกหญิงคนนั้นว่าหมู่หวานเนี่ยฉันรับจ้างเทศนะ เรื่องเทศนี่มันเป็นของมีมหาชาติหรือว่าการเทศเรื่องพระเวสสันดรที่เป็นชาติ โดยเกาะพะทางอีสานเนี่ยมีเยอะ เขาไปหาเจ้าพระคุณสมเด็จขอให้ท่านนิมนต์พระ จึงให้แบ่งเครื่องกันเทศที่เตรียมไว้ ต้องมีศรัทธาอย่างมั่นคงเป็นอจละศรัทธาอย่าเป็นศรัทธา บ้านโยมอยู่ไหนจ๊ะนะชายครับที่จริงท่านทําอย่างนี้น่ะเป็นการสอนคนนะ ที่ไหนยังไงเมื่อไหร่แบบไหนต้องให้ชัดเจนคือบังฆาวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าท่านเทศน์หลายแห่งเทศน์หลายกันถึง ท่านก็บอกให้ลงจากธรรมาสน์ท่านขึ้นประวัติเกล็ดเอ่อจริยวัตรของสมเด็จโตของเรา ต่อจากนี้ไปจากนี้ไปขอนําท่าน 9 ประโยคแห่ง ท่านผู้ฟังที่รักครับเจ้าพระคุณดูทั่ว เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ จึงเสด็จออกจาก 9 วันแล้วจึงเสด็จกลับ 37 วันถึงสวรรคตครับท่านแม่นมากแล้วก็มี ร.5 พระองค์เสด็จไปพระราชทานพระกฐิน ลงรับผ้าภกติ๋นแต่แต่งตัวเหมือนปกตินั่นแหละครับแต่เอาผ้าพัน ในปีนั้นได้ 37 วันเมื่อเสด็จกลับเช่นโปรดให้ผู้ที่คอนะครับ กรุณโปรดให้แต่งตัวใส่ถุงเท้ารองเท้าเสื้อ แต่ก็ต้องต้องฟังคําอธิบายอีกเพิ่มมากนะครับมันเป็นคําปริศนาพยากรณ์ปริศนาคือ 1 แตมหากาล 2 ภารยักษ์ 3 รัก 4 สนิท 5 จํา 6 ราษฎร์ ชนร้องทุก 8 ยุคทมิน 9 ถิ่นตาขาว 10 ชาวสิวิไลเสร็จณราชกาลนะครับทีนี้คร 82 ครัวเรือน เฉพาะเหตุและตีเมืองทวายเป็นต้นใหญ่ๆก็ 7 ครั้งและตีเมืองถวายเป็นต้นเช่นกฎปราบกบฏกฎมณฑลเทียนบานกฎอัยการศึกในยุคนี้ก็เลย ครั้งที่ 1 ครพระอาจารย์เทศวชนะสงครามท่านเกิดผิดพ้องหม่องใจ สำเร็จทันกว่าบอกอ๋ออยากจะธรรมดาหมาเนี่ยเมื่อกัดกันขึ้น ถ้าอาจารย์เทศก็นึกชะงงใจน่าอัศจรรย์นักหนาที่เจ้าพระคุณการพนันเจ้าพระคุณ นายจ้างกับนายแจ่ม 2 พี่น้องปกติจะผลัดกันเปลี่ยนเวรกันนวดเจ้าพระคุณสมเด็จในเวลาค่ำเสมอท่านมักพูด ให้จดใส่กระดาษแล้วทิ้งลอดร่องลงไปคือยัด <c oughs> ได้ยินดังนั้นต่างพากันหัวเราะดังคิกๆเจ้าพระคุณสมเด็จจึงชี้มือไปที่ร่องพร้อมกับพูดว่า คงจะเบื่อและประตูหน้าก็ปิดเสียที่จะพยากรณ์ให้ใครๆท่านจึงมักเอา แสดงว่าคนป่วยน่ะรอดไม่ตายที่ 4 พระบัดสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างสระๆกับเอ่อ ให้เป็นวัดของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีครั้งหนึ่งทรงมีพระราชประสงค์จะทรงบาตรๆ เรือของพระราชาคณะที่คอยรับบาดอยู่นั้นแล้วยกภัยขึ้นบางศีษะ ได้จะได้ช่วยท่านทันท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็พายเรือกลับไปว่าๆจนได้ในสมัยรัชกาล จะใช้บาดสะพายคล้องไหลมีสาย มันทิฏฐะไปเที่ยวรับบินทบาตทางเรือโดยถึงขนาดเรือพักครูธรรมทิวากรเจ้าอาวาสวัดชุมพล ติดตามรับฟังเรื่องราวแห่งคติธรรมสอน 9 ประโยค กราบท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้เราก็มาต่อเรื่องจริยวัตรของๆ หมายไปยังเจ้าอาวาสให้ไปรับต้นศรีมหาโพธิ์มากรุเจ้าอาวาสทั้งหลายก็เอาเรือจ้างบ้างเรืออื่นๆบ้างไปรับฝ่ายเจ้าพระคุณสมเด็จกลับมีลิขิตตอบไปว่าท่านไปรับไม่ เจ้าพนักงานได้นําลิขิตนั้นขึ้นกราบบังคม สมเด็จท่านไปเทศที่วัดศรีประวัติจังหวัดนนทบุรีขณะที่ แต่เจ้าพระคุณสมเด็จนั่งเฉยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนมีใคร <c oughs> ราชการที่ 4 รับสั่งถามเจ้าพระคุณสมเด็จหน้าที่รับซึ่งเป็น อุปมาหินดีประกอบกับเชื้อดีด้วยดีหินดีมีครั้งหนึ่งกับเชื้อดีด้วยตี จึงให้จัดเตรียมอาหารคาวหวานไปพร้อมในเรือ ก็คิดเหมือนกันว่าวัตตโนทที่ท่านสั่งคงจะอยู่ข้างหน้าจึงจะเรือกันไปต่อสายจักรพรรดิสมเด็จเมื่อตื่นขึ้นเหลือบเห็นดวงตะวันเลยเที่ยงไปโขแล้วจึงถามศิษย์ว่าถึงวัตตโนทยังยังไม่ ท่านก็ว่างั้นก็พายเรือกลับไปถึงที่ที่เพลตรง ประสงค์ที่มารับอินทบาดนั้นนิมนต์เป็นเวรกันมาจึงรับกันว่าบินทบาดเวรจักคิวกันมาวันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบาดด้วยแตงโม แห่งโมหลูกนั้นนะครับพอใส่เข้าไปมันก็พรุบลอด ที่ทำนี้หมายความว่าให้อิ่มเสียทีเขาว่าพวกชาววังเลยเรียกท่านว่าพระย่ําใหญ่ด้วยอันนี้เป็นเป็นความสุดยอด พวกฝรั่งมิชชันนารีเอ่อพวกประกาศศาสนาไปถามท่านว่าใจกลางของโลกมันอยู่ตรงไหนคือไปถามสมเด็จโตท่านก็ย้อนถามว่าโลกเนี่ยมันกลมหรือมันแบนล่ะจ๊ะถ้าเป็นเราโดนถามอย่างนั้นก็คงงงนะครับแต่สมเด็จโตท่านย้อนถามว่าโลกนี่มันกลมมันแบนหรือจ๊ะฝรั่งก็ตอบว่าโลก ปักลงที่พื้นตรงที่ท่านยืนนั่นแหละบอกว่าตรงนี้แหละเป็นใจกลางของโลก นะครับเป็นที่เรื่องลือกันมากแม้แต่พระที่ 4 รัชกาล 5 นี่เคารพนับถือเจ้าคุณสมเด็จมากครั้งหนึ่งเป็นงานทํากันที่ มีสุนัขคู่หนึ่งบนศาลาการเรียนกําลังขึ้นคล่อมทําสังวาด <c oughs> ว่าธาตุของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนี่มันเป็นคติคือผมมองว่าน่าจะเป็นคติเตือนใจที่ดีนะสําหรับคนที่มักเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นธุระ ครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอประโยคแห่ง สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน จะเป็นเพราะลืมเสียหรืออย่างไรไม่ทราบทําให้ เจ้าพนักงานเห็นดังนั้นเข้าใจว่าท่านคงลืมจึงนี่พ่อเป็นอะไรจึงมาตั้งสมเด็จได้ เจ้าอยู่หัวก็ต้องพระราชทานไตรแพรแถมท่านอีก 1 ไตรนะครับนี่ก็เป็นเป็นจริยวัตรของ ดูแลกันหรือว่าเป็นเครื่องแสดงออกถึงเขาจึงใช้ศัพท์ว่าพระราชาคณะคือพระของพระราชา ก็เข้าไม่ทันพระราชพิธีเป็นทํานองเดียวกันกับซึ่งรูป กำหนดหน้าที่ไว้ว่าพระธรรมเจดีเป็นผู้ถวายศีล ส่วนเจ้าคุณพระโพธิวงศ์สารนั้นไม่ได้เสีย 30 ทีเพราะทําให้พระ และตั้งพระราชมุนีให้เป็นพระโพธิวงในบัดนี้นั้นเลย เว้นแต่ไปกี่นิมนต์ตามบ้านญาติโยมคราว 1 เวนะครับ ลูกตาตอบว่าไม่มีรสชาติอะไรเลยบอกไม่ <c oughs> บางทีญาติโยมเอาของไปถวายพระก็บอกว่าอื้อท่านฉันเลยอะไรแกงไก่ต้มเนี่ยเป็นแนะนําพระก็เป็นแนะนําพระอย่าง เราพิจารณาแล้วโดยแยกคายจึงฉันบินทบาทไม่ได้ฉันเพื่อเล่นไม่ เจ้าพระคุณเกิดวิตกว่าพระเจ้าอยู่หัว เจ้าประคุณสมเด็จจึงเอาใต้นั้นทิ่มกับกำแพงวังดับไฟเสียเดินกลับออกมาที ท่านคิดว่าให้ตำรวจมาเชิญก็เหมือนกับว่า 4 และตอนที่ท่านสวรรณคตที่พระมหาวิหารเจ้าพระคุณสมเด็จทั่นรับดีการ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็โปรดให้ยกสํานักขึ้นไป แต่จะไล่ให้ท่านให้พระเหล่านั้นลุกใหม่ก็ รับฟังในเรื่อง